วันนี้จะเทศถึงเรื่องความละอายคือยี่ลเนียว่าความละอายอวตตะปาคือความเกลียกลัวสองอันอ น, นั้นแหละให้เข้าใจคือว่าเราฟังเฉยเฉยไมเคยได้ยินได้ฟังมาแต่ไม่เข้าใจลึกซึ้งถึงธรรมะทำคทั้งสองพระเจ้าเทศแต่ละ บ, ลบทแตรละบทมีความหมายลึกซึ้ง คนเราฟังไม่เคยเข้าใจไม่เคยลึกซึ่งฟังไปแลไปก็เบื่อเมื่อไ่เข้าใจแท้ที่จริงธรรมแต่ะบทระบาททนเทศนาะลึกซึ้งเกิดมาจากวัไทยวัตถุของพระองค์มุณเป็นเรื่องที่ให้สำเร็จประโยชน์อย่างยิ่งในธรรมนั้นที่ท่านแสดงไว้ ฉะนั้นจงพากันตั้งใจฟังให้ดีถ้าฟังไม่ดีดจิตใจวอกแวบกบงอกแงบวบ่างแฉนไปมันก็เลยจะไม่เข้าใจเสียถ้าตั้งใจเด็ดเดียวเฉพาะธรรมะอะไรนั้นจริงๆอาจจะได้ความรู้ของเข้าใจเมื่อความรู้ของเข้าใจเกิดแล้วก็ตั้งใจเอาไปปฏิบัติ ทดสอบทดลองดูขันตาหาไม่ได้ทดสอบทดลองดูเท่าที่เขาใจก็ไม่สําเ็จประโยชน์อีกแหลธรรมะจึงอาเป็งของละเอียดคำว่าเฮลิคือความาอายใจนั้นความาอายใจใจของตนอายไม่ใช่อายอย่างธรรมดาสามารถ ที่เรียกสาวสาวอายกันอายนั้นมันอายเขาซึงถึงใจจริงๆไม่ใช่อายผิวเผินภายนอกมันเกิดจากภายในเราทำสิ่งใดคิดสิ่งใดคิดจะทำชั่วมันละอายขึ้นมาในใจเพียงได้คิดเท่านั้น คนอื่นยังไม่เห็นเลยมันเกิดและงายเกิมาแล้วคิดทำชั่วนะคือทำอยังไงสิ่งใดที่เป็นไปเพื่อเ็วส า, มาไม่ถูกต้องทำธรรมะคำสอนพุทธเจ้า น, นั้นเป็นคนวามเร็วอะไรยิ่งจะยิงจะเป็นเครื่องวัดได้ว่ามันถูกหรือไม่ถูกอั น, นีง่ายนิดเดียว คนไม่รู้เลยถึงยองทั้งสองปฎ เ, เจาแต่หาเข้าใจได้ไง่ายอย่างคนเรายังไม่ศึกษารเราเรียนอะไรล่ะทำอะไรลงไปขั้นท่างหากมันไม่ถูกไม่้องแล้วมันรู้สึกในใจและอายกระดากในตัวแต่ตามหลักทัางบาวานัตศาดทั้งหลายไม่สนอเสิร์ตนิยม น่าเรียกว่าพิจารณาเราไม่ใช่นักปาก่าไม่ใช่นักปาก่ามันมใช่นักรู้แต่เรารู้ภายในของเราเองอย่างข้างฝาต้นเงี้ยเอา่ง่ายนี้แหละมันคิดกระดักในใจคือเราไม่เคยฆ่าคิดจะฆ่าเลยกระดักในใจแต่เขาเคยฆ่าแล้วมันชินแล้วมาเลยมัน กระด้อะไปเลยอังนั้นเรียกว่าทำมันไม่ดีทำในตัวแล้วคิดจะฆ่าต่นนั้นเน่ยมันนึกกระเดี่ยวม <c oughs> กระด้างในตัวเลยอันน่้นเรียกว่าความไม่ดีความไม่ดีคือบาป ค, คนนึกหลายไม่นด้ยมนักอะไรนักกาเจ้าไม่ไดยอมเรียกว่าบาป มรรดาคนทัางหลายนุ่งผัวคนชั่วทำไปแล้วเขากลัวคนชั่วนะั้นคนอื่นก็กลัวตัวเราก็กระดากสัตว์ทั้งหลายแม้แต่สัตว์ดิเรกชนไม่รู้ยังศร้าเลยเราคิดจะทำมันนั่นแหละนึามลงมือทำมันนั่นนะ ทำท่ากิริยาอาการให้เขาเห็นให้ปรากฏมันก็กลัวแล้ว น, น่วากนัวชั่วถ้าหาเราทำดีแล้วฝั น, น, คนคีนฝงกระครัเป็นยึดเป็นจะหายพวกป้องของหอย่าว่าจะมโนเตยันจะได้ช้างก็คุรเชื่องไม่คิดกระดาก เป็นมิกับเราเข้าไปในป่าในโลกนี้เสือมีผีไ้ายซึ่งเป็นของดุที่สุดคนกลัวที่สุดถ้าหามีเมตตาเรามีเมตตาแล้วะปรารถนาจะทํทาช่วงเขาเขาก็มาคัจะนิดสนมกับเราก็าไม่เห็นมีกลัวอะไรกันนั่นแหละคนดี เหตุนั้นการทําความชั่วนั้นคิดอายอาลัยใจเจ้าของเราในก้าวธรรมคนอาลัยนี่แเป็นต้นเหตุให้ทําความดีความดีทั้งหมดเกิดจากคนอายอย่าั้งนั้นความไม่ดีก็เกิดจากความไม่อายนั่นเอง สินหาข้อต้องมีความอายเป็น ต, นตน้นเป็นธรรนฐานหากว่ามีความอายในใจแล้วไม่กล้าทำสินข้อนั้ น, น, นงดเว้นเลยครับถ้าสักก็เหมือนกันลักทััพก็เหมือนกัน ถ้าของตกในป่าไม่ใชไ่ไม่ของมีเจ้าของแต่เราเอาเราไปหยิบเอาเพราะนันจะมีนเจ้าของไหมเนาะคิดสงสัยไม่ต้องพูดถึงเรื่องไหนเข้าใจว่าเจ้าของมีแหละของไม่มีเจ้าของแล้วมีเจ้าของเขาจะไม่เจ้าของหร้อไหมเนาะเกิดสงสัยแล้วกร ะ, ะดาษในตัว ยังไม่กล้าที่จะทําก่อนจนแน่ใจของตนไว้ก่อนว่าไม่มีเจ้าของละอย่างต้ไนไม้คนไม้มันเกิดในป่าไ ม, มีเจ้าของเห็นแน่ในใจเอาโดยความสนิทถ้าถ้าหาของตกใช้เป็นของในบ้าน้นตรในป่าเย้มันเป็ของคนทำงานนี่มันก็ไม่เอาเอาก็ไม่สนิท นั่นแหละมันเจริลรากไปยังไหนมันถึงขนาดนั้นไม่ใช่แต่ขโมยไปได้ไหนถึงขนาดนั้นการกู้คืนนิสัาการข่าวขโมยกระหว่างดื่มสุราไปไหนเหมือนกันหมดทุกสิ่งทุกอย่างชิ้นแต่ก็เหมือนกันถ้ามีความยิ่งเลืออยู่ในใจและอายใจแล้วไม่กล้า ท, ทําทั้งนั้นในที่พูดถึงเรื่องสินเฉพาะเรื่องจริง สินห้าสิบเจ็ดสินสิบสิบอะไรเจ็ดเหมื อ, อนกันหมดถ้า พ, พูดถึงเรื่องธรรมละคราบนี้การนั้นแหละธรรมทุกความู่ตัวนั่นแหละน่ออายในตัวกั่นะมันั่นแหเป็นธรรมพูดเรื่องสิ่ตามที่ขบวนนั้นนั้นน่าอายในขบวนนั้นนั้ไม่กล้าล่งลวงละเมิดในขบวนนั้น เรียกว่าศีลรักษาศีลได้ไง่ายคราวนี้ทํากน ะ, ะนนี้ความละอายในตัวเกิดรู้สึกขึ้นมามันเป็นธรรมแล้วธรรมเกิดเพราะมันต้องจินเกิดในเตียกนันนั้นแหะคือเกิดจากหัวใจของคนเราไม่ใช่เกิดที่อื่น ชนก็เกิดที่หัวใจเั่นลที่ลอายแล้วไม่กล้าทำทำก็เกิดที่หัวใจนั่นแหละความนาายเกิดขึ้นในที่นั้นนั่นแหละตัวทำมันเรียกว่าควันเรียกว่าฮิลลี่ฮิลลีนั้นงอีกครานี้อดกัป่าแล้วกลัวแล้วคานี้ครนีความนาอายในใจเรากลัว กลัวคนชวนกลัวเขาจะรู้กลัวเขาจะเห็นกลัวจะอาย้ายขึ้นหน้าเอากลัวผู้ใหญ่กูเหนือข้างหน้าที่เป็นพ่อแม่ก็ดีกลัวท่านจะรู้กลัวได้เห็นผู้บาอาจารย์ก็ดียิ่งผู้คน้าพันชาตก็ดีกลัวท่านจะรู้ท่านจะเห็นกลัวจะท่านจะเอาโทษเอากรรม มีอาอะไรก็กลัวแล้วกันต้องให้กระอาถามทันีีเมื่อมีอนี้อุตสาห์อย่างนี้แล้วกฎหมายบ้านเมืองทุกมาตราอย่าว่าแต่ถามมากเลยให้มีอาการถามเอกอยู่ด้วยกันกับเป็นหมู่เป็นคณะเป็นพรรคเป็นพวกเพราะเหตุที่ว่ามันอยู่ด้วยกับนายพลเท่านั้นท่านก็ห็ ท่านี้ก็ูดธรรมะพื่อให้อยู่เป็นกลุ่มเหมือนก้อนกันนั้นเองให้มีอุตตปะให้มีดิอุตตปะได้อยู่เป็นกลุ่มเหมือนก้อนกันไม่อกฉายดิษยาเปลี่ยนที่กันได้กันมันก็เป็นสุขสำเนาทีหากคิดฮิตคิดจะทุศสลายเกิดความละ อ, อายได้กลัวขึ้นมานั่นทำเตือนขึ้นมาเลย ไม่กล้าทําของชั่ว ท, าทา่านทําลงไปก็เป็นเหตุให้เดือดร้อ น, นวนวายตนเองเดือดร้อนแล้วเพอาความชั่วเพราะชีชั่วและกังเหตุเป็นเหตุใหคนอื่นเดือดร้อนอีกด้วยจรียกว่าทำโมหะเวรกติธรรมจารีทำโมทุกจิตโนจักมาหาติ ทำแล่ย่ำรักษาผู้ปฏิบัติธรรมผู้ประพฤติสุจริตสุจริตต้องมีทักษะในตัวเนี่ยเรียกว่าประพฤติสุจริตประพฤติชอบอะเรียกว่าในเรียกว่าประพฤติ ธ, ธรรมสุจริตหนึ่งทั้งโนทจินโนสุกมาหาติผู้ประพฤติ ธ, ธรรมดีดังนี้นาความสุขมาให้ มันก็สุขแต่จใจของเราที่เริ่มต้นนั่นเองจะสุขที่ไหนสุขแต่เริ่มต้นที่เราเพื่อเดียวก็ชอบมันมันไม่เดือดร้อนวนไว้คนอื่นก็สุขด้วยกันอยู่หมู่มากเดียกันจะสุขทั้งหมดอยู่น้อยก็สุขด้วยกัน น, นั่นไม่เดือดร้อนวนวายในว่าธรรมอ น, นี้เรื่องของดี คำพระเจ้าสอนไม่ใช่ของตื้อๆางๆของลึกซึ้ซซงสุดข่มเข้าถึงหัวใจของคนทุกๆคนถ้าปฏิบัติเป็นธรรมแล้วอยูเย็นด้วยกันหมดทุกคนเห็นังไงว่าฟังธรรมนั่นฟังธรรมขั้นต่อพระเจ้านั้นฟังไม่เข้าใจ ฟังแล้วก็แล้วหายไปเลยไม่สนใจนเรื่องถารมันนั้นบางทีเข้าใจว่าเตา่าธรรมอันนี้เป็นของตื่นดำเลิไมอยากฟังทำแท้ที่จริงเรานะี่ยเป็นคนตื่นไม่ถึงธรรมไม่รู้สึกถึงธรรมจึงไม่ทราบถึงถา้ถาอัดธรรมต่างๆเลยจํา ถ้าปฏิบัติถ้าเพิงเพิ่คำน้องสองเจ้าอย่างที่ว่าวันนี้แล้วไม่ใช่ได็เพียงแค่นั้นมันซึ้งเข้าไปอีกจนเหลือที่จะพูดให้คนฟังความทราบเึ้งในธรรมนั้นเหลือที่จะพูดให้คนฟังนันพูดให้คนอื่นฟังนะเพียงได้ตือ้อตื้อตื้น แต่ความลึกซึ้งของธรรมอะไจริงในหัวใจของคนผู้ที่เห็นธรรมอันนะั้นผู้ที่ปฏิบัติธรรมอันนะั้นไม่สามารถพูดออกมาได้เพียงว่าธรรมครสองพระเจ้าเป็นของไม่เบานาะตรงจงตั้งใจฝึกหัดปฏิบัติไ ป, ปพร้อมๆกันเมื่อฟังแล้วเมื่อเข้าใจแล้วให้ตั้งใจปฏิบัติ เมื่อไม่เข้าใจก็ตั้งใจสนใจในเรื่องนั้นค่อยทราบซึ่งเข้าไปเองเราเอาละเท่านี้เนี่ย